มพสแผ่นที่สาสอสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีทุกอื่นยิ่งกว่ามรณะภัยไม่มี MP สามแผ่นที่สาอ็ดนี้จึงให้กติธรรมหัวข้อว่าสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีคําว่าความสงบคํานี้ถ้าว่าผู้ใดก็ตามอยู่ในความสงบอยู่ในความสันติคือความสงบ ไปอยู่นสถ า, านที่ใดเป็นผู้ชอบสงบยินดีในความสงบผู้นั้นจะมีแต่ความสุขความร่มเย็ยนเป็นสุขทางด้านจิตใจเพราะนั้นคาว่าความสงบคำนี้ก็คือสมาธินั่นเองถ้าคนที่ทำจิตใจให้สงบเป็นหนึ่งได้พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่านาฏิสันติปรังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี เพราะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายยินดีในความสงบพยายามทำจิตใจให้สงบทำจิตใจให้เป็นหนึ่งแล้วก็ให้สงบในเมื่อความสงบมีแล้วพวกเราจะประสบแต่ความสุขกันลึกซึ้งในธรรมแต่ว่าทุกข์อื่นยิ่งกว่ามรณะภัยไม่มีอันนี้จริงอยู่แล้วคนเราเกิดมากลัวที่สุดก็คือกลัวตาย มรณะภัยนั่นคือความตายบางคนไม่อยากจะเ ล, ลึกถึงเลยความตายแต่ก็ไม่สามารถที่จะหลีกลี่หนีพ้นไปได้เรื่องมรณะภัยเป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องเผชิญหรือประสบกับมรณะภัยทุกอย่างเพราะฉะนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านได้มักได้ผลได้ปฏิบัติธรรมท่านได้บอกกล่าวแนะนําสัง่งสอนสิทธิอนุสิทธิ์ว่าให้พวกท่านทั้งหลาย อย่าตั้งอยู่ในความประมาทความทุกข์อื่นยิ่งกว่ามรณะภัยไม่มีอย่าไปคิดว่าร่างกายของเราเนี่ยเป็นสวรรค์ที่มาเนอร์นี่แหละตัวร่างกายของเราเนี่แหละตอนที่มันจะแตกกายทาลายขันนั้นทุกที่สุดมีความทุกข์ที่สุดในร่างกายก่อนที่ใจจะออกจากร่างกายเพราะนั้นขอให้พวกท่านทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให เตรียมพร้อมเอาไว้ให้สังสมคุณงามความดีเอาไว้แล้วให้พวกท่านทั้งหลายภาวนาทำจิตใจให้สงบแล้วก็พิจารณาไตร่ตรองเหตุและผลถ้าพวกท่านทั้งหลายเนื้อรู้เหตุรู้ผลแล้วเกิดความเบื่อหน่ายคลายไม่ยึดมั่นถือมั่นในร่างกายไม่ยึดมั่นถือมั่นในใจพวกท่านทั้งหลายก็จะพ้นจากอาสวะกิเลสโลภโกรทหลง พวกท่านทั้งหลายจะมีแต่ความสุขเป็นอนันตาการด้วยอำนาจคุณพระสีรัตนไตรพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วไตรโลกธาตุขอให้คุ้มครองพวกเราท่านทั้งหลายขอให้ประสบความสุขความสมหวังปรารถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมก็ขอให้สมหวังดังปรารถนาทุกประการเทิด